สถาบันพลังจิตตานุภาพร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเสนอการบรรยายหลักสูตรครูสมาธิโดยพระเทพเจติยาจารย์พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทรโรตอนสมาธิเรื่องคุณสมบัติของสมาธิ <c oughs> ถึงว่าละ เ, เรื่องเขาเรา ทุกวันทุกวันเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งนี่จะเอาอะไรพูดนะักพูดไปพูดมาก็หมดคงหมด <laughs> หมดทุ่ม <laughs> พูดไปพูดมาหมดก็ไม่รู้ทํทำยังไงก็อ่านหนังสือเอาเองพองหมดพุงแล้ว <laughs> แต่ยังไงก็ตามก็คงไม่หมดพุงง่ายๆอะ่ะ <c oughs> วันนี้ก็จะมีมาเพิ่มเติมให้อีกว่าข้อที่สามคุณสมบัติของสมาธิอันนี้เป็นทิศที่เขียนขึ้นอันนี้ก็คงอ่านเอาเองได้ว่าการสมาธินั้นย่อมเป็นที่ยอมรับ ของสังคมโดยทั่วไปว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อการมีชีวิตและมีประสิทธิภาพของกิจการงานต่างๆเราเคยได้ยินเสมอว่านักเรียนเนี่ยแกไม่มีสมาธิเือดูสิแกได้แต่คุยอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นแสดงว่าเขายอมรับว่า สมาธิเนี่ยมันมีประโยชน์มีประโยชน์กับการที่เขากำลังเรียนหนังสือหรือว่าเราเห็นน่คนทำงานเนี่ยเวลาทำงานไปเนี่ยทาไปก็เหมอลอยไปทำไปก็เหมอลอยไ ป, ไ ป, ออยไปงานมันก็เสียเพราะว่าขาดสมาธิหรือบางคนอย่างนี้คุยกันไปคุยกันมาหยุดคุยซะเฉยอย่างนั้นอ่ะ ทำยังไงบอกว่ามันเข้าผวังไปอย่างเงี้ยนั่นคือการขาดสมาธิเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเข้าผวังเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าผวังไปในขณะที่เข้าผวังนั้นการส่งเสริมพลังจิตนี่ก็จะมีเหมือนกันแต่ว่ามันมีอยู่ในจำนวนไม่มากนักไม่เหมือนกันกันกบเวลาที่ เราทำสมาธิแล้วมีความรู้อยู่อย่างเนี้ยรู้อยู่แล้วก็ไม่นึกไม่คิดอะไรแล้วก็รู้อยู่ถ้าทำอย่างนี้ได้อั น, นิคเขาเรียกว่ า, เ, าเป็นการส่งเสริมพลังจิตได้มากเรียกว่าเกือบร้อย <c oughs> แต่ทีนี้ถ้าหากว่าตบรวังผ้อยลงไปอย่างนี้มันก็คงได้ประมาณไม่กี่สิบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น การที่เราจะมีสมาธิและมีสมาธิได้มากๆขึ้นเนี่ยมันต้องมีเชื่อเขาเรีย ก, กว่าถ้าไม่มีเชื่อเนี่ยอสมาธิที่เราจะทํานะเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเพิ่มเติมขึ้นมาได้เพราะมันขาดเชื่ออย่างสมาธิที่เราทําเนี่ยเรามีเชื่อ เรามีเชื้อเดิมมาแล้วยันอย่างคนที่ไม่เคยทำเลยเนี่ยก็จะมีเชื้อสมาธิธรรมชาติอยู่ในจิตใจเนี่ยก็เรียกว่าเชื้อส่วนที่เรามาทำเพิ่มเติมขึ้นมาเองเนี่ยอันนี้หมายความว่าเติมเชื้ออั น, นั้นขึ้นมาไอ้ที่ไม่มีเชื้อเลยเนี่คงเป็นไปไม่ได้แต่เชื้อน้อยบ้างเชื้อมากบ้าง เชื่ออันนี้จะเกิดขึ้นมาจากสมาธิธรรมชาติที่เรามีสมาธิมาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยจึงมีคุณสมบัติเขาเรียกว่าคุณสมบัติของอความเป็นมนุษย์คาว่าคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์นั่นก็คือว่าเขามีเชื่ อ, อมีเชื่อของความเป็นสมาธิ คือมีมาแล้วอ่ะเป็นเชื้อของสมาธิมาแล้วอันนี้คือเชื้อที่ติดมากับตัวของเราอันนี้เชื้ออันนี้อ่าก็จะมีมากมีน้อยมันก็สุดแล้วแต่บุคคล น, นั้นคนเราจะมีเท่าเท่ากันไม่ได้คือสมมติว่าคนนี้มีเจ็ดสิบคนนี้ก็มียี่สิบคนนี้ก็มีสิบอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่ามีห้าแตใช่ไม่ได้แน่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าต่ำสิบถ้าเรียกว่าถ้าหากว่าต่ำสิบก็ชักจะเป๋รล่ะ <c oughs> อย่าง้เถอะกระปั้มกระเป๋ไอ้กับปั้มกับเป๋เนี่ยต้องเขียนไว้ว่าถ้าไอ้อเชื้อมันไม่อยู่ต่ำกว่าสิบแล้วก็รับสมัครไม่ได้น่เลขานะอันนี้คือคุณสมบัติ ที่มนุษย์เราเนี่ยย่อมจะต้องมีคุณสมบัติอันนี้ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานอย่างสัตว์เดรัจฉานแม้มันก็มีเหมือนกันเพราะมันก็หลับเป็นไม่ใช่ว่ามันหลับไม่เป็นแต่ว่าเชื้อของมันนะั้นมันก็คงจะมีประมาณสักสามสี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่มากเมื่อมันไม่มากไอ้ความที่จะรับรู้ความที่จะมีประสาท รับโลพูดจาหรือว่าความเข้าใจเนี่ยมันก็จะเกิดเกิดได้แค่สัตว์มันจะมากกว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามนุษย์ของเราเนี่ยมันเกิดมีต่ำสิบลงไปอย่างเนี้ยใ้เชื่อเนี่ยมันต่ำสิบลงไปมันต่ำลงไปมากอย่างเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าไม่รู้เรื่องอะไรเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราจะสมมติว่าเราจะดูคนที่เขาแก่ลงไปแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วกินข้าวแล้วเนี่ยยังไม่จะกินนะมันลืมไปพี่รกอ่ะแบบเนี้ยมันทำให้เกิดได้เขาเรียวกว่าพลังอันนี้มันจะเกิดการชำรุดแรือว่าเชื้อเนี่ยมันเกิดจะน้อยลงไปเพราะฉะนั้นคุณสมบัติ ที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยตอนเราต้องถือว่ามีความดีที่สุดสําหรับความเป็นมนุษย์ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะเป็นมนุษย์ก็ดีจะเป็นสัตว์ประหลาดก็ดีเขาเรียกว่าสัตว์ทั้งนั้นอถ้าจะพูดไปก็เรียกว่าผู้มีลมหายใจเรียกว่าสัตว์ผู้มีปรานเรียกว่าสัตว์แต่ว่า ในบรรดาสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมนุษย์จะมีเชื้อเขาเรียกว่าเชื้อคุณสมบัติอันเนี่ยมากกว่ า, าพวกสัตว์นี่ถ้าจะนับกันไปแล้วก็หลายสิบเท่าตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นด้วยอาศัยคุณสมบัติอันนี้จึงได้มีการในสังการเคยมีการสั่งการขึ้นมาว่า ประสาทตัวนี้ทางานได้ประสาทตัวนี้ทำงานไ ด, าานนได้เป็นต้นว่าประสาทตัวนี้แต่ใช้คิดประสาทข้างนี้ใช้จำอะไรกัสุวนแล้วแต่มันจะมีหลักการการคิดของวิชาการแพทย์หรือพวกนักวิทยาศาสตร์ต่างๆจะคิดว่าประสาทต่างๆเหล่านี้แต่เขาก็รู้ว่าเขาก็รู้ว่าจะเพราะว่า ภาษาขัางนี้มันจําภาษาข้างนี้มันคิดอะไรก็สุดแล้วแต่แต่ความตั้งความเป็นจริงแล้วเชื้อของคุณสมบัติเชื้อของคุณสมบัติก็คือเชื้อพลังจิตอันนี้เนี่ยได้มีสมรรถภาพสูงเมื่อพลังจิตสมตรรถภาพสูงเมื่อใช้ประสาทพวกนี้ได้เต็มร้อยอทีนี้บางคนไม่เต็มร้อยก็เก้าสิบบางคนก็ แปดสิบบางคนก็เจ็ดสิบก็สุดแล้วแต่เพราะฉะนั้นคำว่าคุณสมบัติของสมาธิก็มาถึงคำว่าดังนั้นขึ้นชื่อว่าสมาธิจึงมีคุณค่าต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกคนเนื่องจากบุคคลที่ขาดสมาธิย่อมมีชีวิตไม่ปกติ และยังขาดประสิทธิภาพของการงานต่างๆตลอดถึงมีผลไปยังการศึกษาเราเรียนวิชาการต่างๆไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกด้วยด้วยเหตุดังกล่าวสมาธิจึงเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้น เ, เราจึงพยายามที่จะทำสมาธิเนี่ยเพิ่ม เพิ่มคุณค่าอันนี้ให้ให้สูงยิ่งขึ้นคนที่ตามต้อยหรือว่ามีพลังคุณค่าน้อยแต่ว่ามาทำสมาธิเอาย่อมเพิ่มขึ้นมาได้คนที่มีคุณค่าสูงเชื่อเดิมมีมากแต่เขาไม่ได้ทำสมาธิอันนั้นเขาจะลดระดับลงลดระดับลงไปลดระดับลงไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็เขาก็จะมีสิ่งที่เกิดความบกพร่องขึ้นตามจังหวะตามระย ะ, ะเพราะเขาไม่ได้ทำสมาธิที่สร้างขึ้นมาเช่นกับคณะที่ทำสมาธิจึงทำให้ระยะหนึ่งะจะต้องสูญเสียไปอีกระยะหนึ่งก็จะต้องสูญเสียไปตามระยะระยะสมบัติเหล่านั้นก็จะค่อยอหมดค่าลงตามลำดับ ค่าคือหมายความว่าค่าเนี่ยมันจะมีอย่าง อ, อย่างคำว่าค่าราคาอย่างเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้น เ, เมื่อคนที่ได้ทำสมาธิแล้วเนี่ยจะรักษาค่านี้ไว้ได้ค่าของสมบัติอันนี้นอกจากรักษาไว้ได้แล้วก็จะเพิ่มค่านี้ขึ้นไปด้วยอย่างนี้เป็นตน้นการเป็นเช่นนี้ จึงมีความจำเป็นไม่น้อยเลยที่มนุษย์จะต้องใช้ความพยายามที่จะสร้างสมบัติคือสมาธิเป็นกรณีพิเศษต่อตนของตนหากว่าเขาทั้งหลายมีความหวังว่าจะใช้ชีวิตของเขามีความเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์คือเขาต้องการอยากจะมีชีวิตคือคนเนี่ย อยากจะมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีชีวิตทีต่เป็นไปด้วยความกระชุ่มกระชวยมีชีวิตที่สามารถที่จะได้เปรียบบุคคลผู้อื่นหรือสามารถที่จะส่งเสริมอะไรต่างๆในความเป็นของมนุษย์ที่เราได้มนุษย์ได้อัตภาพมนุษย์มานี้เขาก็จาเป็นต้องทำสมาธิเพิ่มคุณสมบัติอันนี้ ให้มากขึ้นคำว่าสมบัติล้ำค่ามันก็ไม่ได้หมายถึงอะไรหรอกสมบัติล้ำค่ามันก็หมายถึงใจพระใจจะเป็นผู้สั่งการทั้งหมดสมบัติตรงนี้อยู่ที่พลังจิตจุดแห่งพลังจิตจะเป็นจุดที่ก่อตัวและเริ่มต้นเพราะเมื่อเริ่มต้นแล้วก็จะขยายกำลังออกไปเพื่อความกว้างขวาง ยิ่งใหญ่มั่นคงก็จะติดตามมาในกรณีนี้คือในข้อที่เรียกว่าคุณสมบัติของสมาธินี้จึงมีข้อความว่าในการที่รักษาสมบัติเดิมและเพิ่มพูนสมบัติเดิมขึ้นขยายสมบัตินี้ให้กว้างขวางเช่นเดียว ก, กันกับผู้ที่รับมรดก จากพ่อแม่ของเราเมื่อรับมรดกมาแล้วเราใช่อย่างเดียวแม้จะมีมากสักเพียงแค่ไหนก็ต้องมีอันหมดไปเพราะว่าเขาไม่ได้ทำขึ้นแต่ในเมื่อเขารับมรดกมาแล้วบุคคลพนั้นอาจจะรับมรดกมาสักนิดเดียวแต่ว่าเขามีความมุมานักบักบันพยายาม เขาก็สามารถที่จะทำมรดกนิดเดียวนั้นอ่ะให้กว้างใหญ่ไพศาลได้หรือเหมือนกันกันกบบุคคลผู้ที่มีมรดกเต็มที่แล้วพอมาถึงตัวรับมรดกมานี่ก็มีความตั้งใจที่จะรักษามารดกนั้นแล้วก็ทำมรดกนั้นมันก็ยิ่งมากยิ่งขึ้นข้อนี้ก็ เป็นแอชเช่นเดียว ก, กันกับเรื่องของสมาธิที่เราได้พากันเข้าใจว่าการที่เราจะรักษาคุณสมบัติคือสมาธินี้เนี่ยมีความจำเป็นอย่างนี้ <c oughs> เท่ากันกับว่าเขาได้สะสมสมบัติชิ้นสำคัญคือสมบัติลํำค่านี้ เป็นการสั่งสมที่มีความดีความงามอันจะต้องเป็นทุนสำรองเพื่อใช้ใจ่ายในเมื่อต้องการและมีความจำเป็นหากบ้าบุคคลได้ปราศจากสมบัติคือสมาธินี้แล้วเมื่อเกิดความจําเป็นขึ้นมาไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรมาจับจ่ายใช้สอยในเมื่อ เรารับสมบัติอันนี้มาแล้วเราก็ใช้ไปหมดก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใช้ต่อไปก็ยิ่งลำบากทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นย่อมจะต้องมีการตัดสินใจหรือย่อมจะต้องมีการแก้ไขหรือจะต้องประสบปัญหานานับประการที่จะเกิดขึ้นในระหว่างชีวิตของเรานั้น แต่ในระหว่างที่เราเกิดปัญหาขึ้นมาก็ไปประจบกันก็ตรงที่เราหมดทุนซะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นการตัดสินใจก็จะเกิดการผิดพลาดความทุกข์ก็จะบังเกิดขึ้นสิ่งต่างๆก็จะต้องติดตามมาอย่างมากมายแต่ว่าในขณะที่เรา กำลังรอความตัดสินใจอยู่นั้นเราก็มีพลังจิตพร้อมแล้วที่จะแก้ไขเหตุการณ์นั้นสิ่งที่เลวร้ายก็ไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุที่สมบัติสมาธิเป็นสมบัติมั่นคงอันเป็นสมบัติที่ยืนยาวที่สุดเสียด้วยการทำสมาธิเพิ่มพูนพลังจิตนั้น เชื่อว่ากําลังสะสมสมบัตินั่นเองแม้จะเป็นการทำสมาธิขึ้นขึ้นลงๆได้บ้างเสียบ้างก็ไม่มีปัญหาอันนั้นเป็นเพียงกิริยาของจิตเท่านั้นแต่พลังจิตนั้นย่อมได้จากการทำสมาธิในทุกๆครั้งอยู่แล้วเราอาจจะคิดเห็นว่าเอสมาธิกับเห็นมันได้อะไร มาคราวนี้เอาได้อีกแล้วมาคราวนี้ก็ไม่ได้อะไรมาคราวนี้ก็ได้อีกแล้วมันก็ขึ้นขึ้นลงๆแต่การขึ้นขึ้นลงๆนั้นมันเป็นเพียงอาการและกิริยาของจิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นพลังจิตที่เราจะต้องได้รับนั้นได้รับอยู่แล้วทุกๆครั้งที่เราได้สร้างสมาธิขึ้น จริงอยู่สมาธิที่ทำให้เกิดสมบัติเราก็ไม่เห็นด้วยตาเราลองคิดดูว่าที่เราทำสมาธินี่เราเห็นอะไรบ้างก็เห็นแต่แสงบางคนก็เห็นแต่นิมิตบางคนก็ไม่เห็นอะไรเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวคุณสมบัติมันเป็นกิริยาของจิตชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อมันจะเกิดนิมิตขึ้นก็ไม่เป็นไรมันจะเกิดแสงขึ้นก็ไม่เป็นไรมันจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ย่อมไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันได้เข้ามาสู่จุด คือพลังจิตเนี่ยเข้าได้เข้ามาสู่จุดแล้วก็มานอนเนื่องอยู่ที่ใจของเราอยู่แล้วอันนั้นเรียกว่าคุณสมบัติที่เข้ามานอนเนื่องอยู่ในใจนั้นก็เรียกว่าคุณสมบัติแต่ว่าการที่มันเข้ามานอนเนื่องอยู่ในใจนั้น่ะเราไม่เห็นมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเราก็ไปเหมาเขาว่าโอ้ยไม่ได้แล้ว ทำสมาธิตั้งปีก็ไม่ได้อย่างเนี้ยอันนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะเอ่อคิดอย่างนั้นมันไม่ถูกเลยไม่ถูกด้วยประการทั้งปวงทีนี้หลวงพ่อลองวัดดูว่าเวลาไปนั่งสมาธิเป็นปีแปดปีสิบปีกว่าสิบปีอย่างเนี้ยก็ลองวัดดูในใจของตัวเองอย่างอ่าย้อนหลังกลับคืนไป เราก็เห็นอาการขึ้นขึ้ น, นลงๆของ จ, จิตใจตลอดเวลาอไปเดี๋ยวดีไปเดี๋ยวแก้ไปเดี๋ยวแก้ไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวรวมเดี๋ยวไม่รวมเดี๋ยวเราโมโหขึ้นมาก็ไป เ, เน้นต่อเนนก็ไปทะเลาะ ก, กันแล้วก็ไปทะเลาะ ก, กับเขาเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่เาบางทีอยอมมากบอกว่าเอา้าเนนไปทําอะไรให้หน่อย เอ้ยอยู่ๆจะมาใช้เน้นมันไม่ค่อยถูกหน้าเราก็ไหวอย่างนั้นมันก็เกิดไอ้ความไอ้ฉุนเฉียวขึ้นมาในจิตใจก็มีอยู่เป็นครั้งเป็นคราวเรามาสังเกตดูว่าในตลอดระยะเวลาแปดปีสิบปีผ่านมาเนี่ยไอ้ที่มันขึ้นๆลงๆนี่มากกว่ามากกว่าไอ้ที่เราไปนิ่งสบายเนี่ยอ่าบางทีอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ไม่เคยเจอ อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ในที่สุดถึงที่สุดไอ้พลังจิตที่กระทำอยู่นั่นน่ะที่มันรวมตัวอยู่นั่นน่ะมันจะก่อตัวหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกมันก็เลื่อยอ ก, กันขึ้นมาไอ้ไอคุณสมบัติอันนั้นที่มันเพิ่มคูณให้เราเนี่ยได้รับผลพลังจิต เ, เป็นคุณสมบัติท ทาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะให้นักศึกษาทั้งหลายที่พากันทำสมาธิเราคิดว่าเราไม่ได้อะไรอันนั้น่ะไม่ถูกต้องคือจะต้องได้ในสิ่งที่เรียกว่าจุดพลังจิตจุดพลังจิตมันจะมีอยู่ในทนี่นั้นมันจุดมันจะเล็กๆแต่ต่อไปมันจะขยายตัวจนกระทั่ง ยิ่งใหญ่ไพศาลอยู่ในจิตนั่นแหละในเมื่อเราได้เข้ามาสู่สมาธิแล้วเนี่ยสมาธินี้จะต้องสามารถที่จะรวมตัวและขยายตัวขึ้นไปเองได้เมื่อหลวงพ่อทรมาตั้งแต่ครั้งแรกจนกระทั่งอยู่กับพระอาจารย์กรงมาตลอดระยะเวลาแปดปี เราก็เนึกว่าเราคงไม่ได้อะไรแต่ว่าในที่สุดเราก็ได้เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นเรามาอยู่กับหลวงปู่มั่นเราก็รู้แล้วว่าได้แต่ได้อะไรบ้างในที่สุดเราก็เอาจับเอาตัวออกมาไม่เห็นแต่ว่าเราก็ได้อยู่นั่นเองคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติอันนี้ก็พูดพูดไม่ได้ใครได้ใครก็ได้ไปกันแล้วกัน พูดออกมาเดี๋ยวก็จะหาว่าวอุตริมนุยธรรมปรับอวบัติกันอีกบางคงจะพูดกันแค่นี้นะ <c oughs> เอาเอาก็เอาต่อ <c oughs> ต่อไปก็คือเมื่อลองพ่อไปอยู่กับหลวงปู่มั่น <c oughs> แล้วท่านก็ให้ ปริศนาว่าเราได้รองเท้าคู่หนึ่งไว้เรานิมิตรรองเท้าคู่นั้นมันไม่แหวนเวยหัวก็ท้ายนี่มันเท่ากันธรรมดารองเท้าก็ต้องตัดแหวนตรงกลางไอ้รองเท้าคู่นี้มันเกิดไม่แหวงอันนี้คือที่หลวงพ่อได้ที่บีบอยู่ตลอดสี่ชั่วโมงอันนี้คือ ที่ยที่ได้เราลองคิดดูสิว่าเราฟังเทศสีชั่วโมงนะก็ปวดขาหน้าดูแล้วและยังไปบีบอีกสีชั่วโมงแล้วปวดขาขนาดไหนแต่ก็ทนเอาเพราะทนได้เราก็ได้ท่านก็ให้ให้อะไรก็ให้รองเท้า <c oughs> แล้วเราก็คิดไม่ออกจนป่านนี้แล้ว <c oughs> หลังจากนั้นเริ่มต้นของวันใหม่มีประกาศสิทธิ์ออกมาแล้วเริ่มต้นวันใหม่วิริยังเธอจะมาอยู่ที่นี่คือเป็นหมายความว่าอยู่เป็นท อ, อท อ, อประวัทหารคนสนิท <c oughs> ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้ที่อยู่เกา่าออกไดปกปนะ้ประกาศสิทธิของหลวงปู่นเนี่ยสำคัญนะประกาศสิทธิของหลวงปู่มันพูดแล้วคำไหนคำนั้นเช่นอย่างยกตัวอย่างเช่น อ, อาจารย์ทั้งหลาย ก็นั่งอยู่ที่นั่นหลวงพ่ออยู่ในขณะนั้นน่ะอายุยี่สิบสองนอกนั้นก็โตกว่าหลวงพ่อหมดเลยอจะเป็นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ฝันหลวงปู่เท็ดหลวงปู่เขาหลวงปู่แหวนหลวงปู่ซิมหลวงปู่ใหญ่ปู่เยอะแยะทั้งนั้นอแต่หลวงพ่อก็อายุยี่สิบสองเท่านั้นท่านกัจเจ็บอกว่าทุกองคเข้ากรุงเทพไม่ได้ คือเข้าไปอยู่คนเทพไม่ได้อยู่ได้วิริยังคนเดียวมันก็เลยมาเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ท่านก็ไม่มากันนะ่ะอ <c oughs> หลวงพ่อก็จอมมารับอะไรก็ไม่ทราบได้หรอสารพัดแหละอ่เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเราลองสังเกตดูทั้งหมดนับตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่นี่ตั้งแต่ศูนย์ห้ามาจนกระทั่งบัดนี้ ปรากฏว่าในบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทุกองค์นีท่านได้เคลไม่มีใครเข้ามาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงได้มาเริ่มวัดธรรมมงคลเป็นครั้งแรกมาเริ่มวัดธรรมมงคนเป็นครั้งแรกก็ไม่รู้เนี่ยมันก็เหมือนกับก็บคนป่าเข้ากรุงเนี่ยหลวงพ่อก็อยู่ป่ามาตลอดสิบสองปีก็ไม่เคยเข้าคนเข้ากรุงคนกรุงเขาทำยังไงเราก็ไม่รู้มาถึงก็ ดูดูเข้ามาเองนะ่ะ <c oughs> ก็โดนต้มสองอมพลาม <c oughs> ต้มมันดับแรกเอาเสือเอาโตก เ, เอาถาดเอาถ้วยมีเท่าไหร่เอามดครานั่นมาอยู่ก็พวกจันทบุรีอ่เขาเอาเสือมาถวายเพราะอยู่จันทบุรีนานเสือลวดแพงนะลวดผืนหนึ่งสามร้อยบาทเนะ่ยมายนั้นอนะ่ะเอามาถวายแบบนั้นอ่อ โยมก็มาถวายทีหนึ่งรวมกันหมดได้สิบแปดผืนสิบแปดมวนแล้วก็ออย่างที่เสือสั้นๆสั้นๆก็อีกนับร้อยและทีนี้โยมก็เอาถาดมาถวายแปดเก้าใบสิบใบแล้วก็ถ้วยชามก็มีอยู่สักร้อยสองร้อยช้อนก็ไม่เท่าไหร่นอกจากนั้นก็มีโตกไปพันเนี้ย มีอยู่ห้าอันนั้นก็บอกว่าเน่พรุนี้ <Good. S 1> เจ้านายเขาจะแต่งงานลูกสาวเขางั้นบอกให้ามายืมเฮ้ย <Yeah. S 1> hey, วัดบางนาเน่ยเยอะไปไปยืมแท้ uh, นี่วันนี้มันไม่มีอะไรหรอกเฮ <Yeah. S 1> ้ยวัดบางนายืมหมดแล้วตอนนั้นโทรศัพท์ก็ไม่มีเราจะไปรู้ได้ไงโ uh, ทรศัพท์ก็ใช้ไม่เป็นเนอ จะไปเช็คไปที่ยบางนาเ็าเอาไปยังก็ไม่มีในที่สุดมันก็บอกว่ามีเท่าไหร่เอาหมดท่าไรเอาหมดก็เอาไปหะวพรุ่งนี้ก็ได้ฉันกันอิ่มแน่หรือว่างั้นใช่ไหมเสือสิบแปดผืนเกลี้ยงผูวไอสองร้อยกว่าใบเกลี้ยงถาดหกเจ็ดแปดอัน เกลี่ยงทอนมีเท่าไหร่เก ล, ลี้ยงเรียวกากวาดเกลี้ยงองนั้นเถอะ <c oughs> <c oughs> เรื่องก็มีพระอยู่เก้าองค์เท่านั้นเองคราวนั้นไม่บินฑบัตก็คอยอเอ๊ะมันเจ็ดงแล้วมันไม่มารับบุ้ยแปดโมงมันมารับไม่น่ากลัวมันจะให้กินเพนเละวะ <c oughs> เราก็ไม่มีตรงนี้นะ อย่าไปคิดนาะบ้านไม่มีสักหลังนะจะบอกให้รู้ไม่มีอะไรมีกระตอบหนาหลังเดียวเสร็จแล้วเฮ้ยนี่มันสิบเอ็ดโมงแล้วมันไม่มารับเนี่อบอกว่าสิบเอ็ดโมงไม่มารับน่ากวัวโดนแล้วโดนต้มแน่กว่าจะรู้ว่าต้มอ่ะต้องไปบอกนี่ขุ้เข้าวเร็วเข้าเร็ว หุงข้าวที่นี่หุงข้าวมันก็มันไม่มีเต า, เ า, า, าไฟอนู่ไฟไอ้ฟืนนี่ใส่มันก็เดือดช้าสิเฮ้้สิบมอลเอดมองขึ้นแล้วสุกไม่สุกก็เอาละสุกมั่งดีมั่งเข้ามาเฮ้ยมีอะไรมัง่งผมมีประูสองตัวเก้าวองแบ่งกันเว้อะไรก็ไม่มี ลงผลที่สุดนะไอ้กระต๊อบนาเนี่ยน้ำปลาก็ไม่มีแล้วเราวันนี้เอาไงดียังก็แบ่งเงินเวลาคำสองคำแล้วข้าวมันไม่ค่อยสุกอะแต่มันอร่อยน่าดูขึ้นหมดหม้อเลยเก้าองค์นอกจากหิวแล้วก็ยังเสียของหมดวัดนี่คือแหมไอ้คนนี้ไอ้คนที่มันต้มไปเนี่ย ถ้ามันได้ยินเข้านะมันต้องอะไรเช่นมัน <laughs> น่าดูเลยพร <c oughs> าฉะนั้นท่านถึงบอกว่าวิทยามก่ไปองค์อื่นไปไม่ได้ <c oughs> ขนาดนี้เลยขนาดเราก็อย่างนี้ไปอย่างนั้น <c oughs> ถ้าฉะนั้น อ, องอื่นออกไปวิริยังเข้ามาปฏิบัติเราก็เข้าไปทั้งดิบดิบเหมือนกันเข้าไปปฏิบัติพระอาจารย์นี่เราก็ไปบอกถามองที่ปฏิบัติมาก่อนไอเวลาตอนเย็นทำไงเวลาตอนเช้าทำยังไงปูที่นอนทำยังไงล่างกระโถนทำยังไงแล้วตั้งหมอนทำยังไงแล้วกวาดทำยังไงแม่ เอทอสอคนเก่าไม่บอกเลย น, ลน่ากลัวน่ากลัวฉิวเราอ่ะอย่างงี้ก็มีแม่อันนี้อะไรกันนะอ่ะแม่บอกอย่างไรก็กลมหน้ากลมตาทําอ่ะอันดับแรกออันดับแรกคือการเออล้างกระถนกระถนท่านก็ใช้กระบอกไม้ไผ่เขาเอากระถนเครือบมาให้ท่านท่านก็มาเอา ท่านก็เอากระถนเนี่ยไม่ไผ่แล้วกระถนไม่ไผ่เนี่ยแล้วท่านปัจฉว่าแคใส่กระถนไม่ไผ่แล้วมันก็ซึมเข้าไปในไม้อ่ะแล้วท่านมาให้เหม็นถ้าเหม็นแล้วก็โดนแน่อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อันนี้เป็นอันว่าลองความสามารถอันดับแรกเราก็พอเสร็จแล้วก็กระถนมาถึงกระสบู่ใส่ควักมือควักควักควควักคว เสร็จแล้วเอาขึ้นไปตั้งเลยไอ้สบู่เนี่ยมันกำจัดกลิ่นไม่ได้อะไปถึงก็กลิ่นออกมันก็เรียกตัวมาวิทยาหวันี่เลียตัวมาว่างเนี่ยขนาดกระถนแก่ก็ยังล้างไม่ได้กกจะไปล้างจิตใจยังไงโอ้<笑><笑> โดนอันนี้คือเ อ, อท่านต้องการความละเอียดแล้วในที่สุดเราก็เอาไปตากแดดพอเอาสบู่ควักๆๆเสร็จแล้วก็ไปตากแดดตากแดดเสร็จแล้วก็เข้ามากลิ่นก็ลดลงไปแต่ก็ไม่หมดก็โดอนเรียกอีกบอกว่าแกทําบอกว่านี่กระถนกับผมหามาแล้วอันนี้ไม่ต้องล้างเท่าไหร่ ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ใช้มานานแล้วแม่อันนี้ก็ไม่ยอมเมื่อไม่ยอมอย่างงั้นก็ต้องทําต่อเสร็จแล้วไปถามเน้นเน้นเน้นเขาทำยังไงแต่เมื่อก่อนนะนะเฮ้ยอาจารย์ไม่อยากรอกเอาคิดเท่าใส่ซี่ว่าเออเข้าใจแล้วเนนมันบอกให้ทีหลังมาก็เอากิดเท่าเนี่ย แช่พอเอาขี้เท่าแช่เสร็จแล้วเนี่ยได้ได้ที่เพราะคือหมายความว่าแช่ประมาณสักสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอาออกเอาออ ก, อาออกมาเทนี้ก็เอาสบู่ใส่พอสะบู่ใส่เสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดมันไดกลิ่นเนี่ยมันหายตั้งแต่ตอนแช่คี่เท่าแล้วพอล้างสบู่ก็ทาความสะอาดเท่านั้นก็สาเร็จ เป็นอันว่าไม่ได้รับการบ่นอีกต่อไปก็อันนี้คืออข้อที่หนึ่งข้อที่สองเอาเอาแค่สองข้อนะเอมันยังมีอีกหลายข้ออืข้อที่สองกลางกฎคือว่าท่านไม่มีมุ่งท่างกลางกฎกฎมันก็กลมกลมอย่างเนี้ย แต่กรดของท่านเนี่ยจะต้องออกตากแดดทุกวันออกตากแดดทุกวันแล้วถึงก็ข อ, ขอกลางเสร็จพอกลางเสร็จแล้วเรียกตัวมาเรียมนันนี่อะไรอีกล่านี่แกเอาข้างหัวไว้ข้างท้ายแกเอาข้างท้ายไว้ข้างหัวแกรดมัมีหัวมีท้ายด้วย เรื่อบากสิทีนี้แล้วก็เอามาทีนี้เราก็เห็นพอพอท่านจะวัดเสร็จเราก็เอาดินสอไปขีดไว้ <c oughs> อันนี้ทางหัวท่านก็เรียกมาเองข้าาดินสอไปขีดไปคนโน้นผมครับ ไอ้เ น, นี่มันเอาอะไรเนี่ยเราจินสอไปคิดไม่รอบคอบทีนี้เราก็นับซี่แล้วทีนี้มีกี่ซี่ซี่ไหนเล็กซี่ไหนใหญ่ในที่สุดเราก็จับได้ว่าท่านเอาซี่นี้มาไวน้นี่ไม่เอาเทีนี้ไปลบวินสอออกพอคราวนี้หยุดเป็นอันว่าผ่านข้อที่สอง นี่คือวิธีการที่กว่าหลวงพ่อจะได้วิชามาสอนคณะนักศึกษาเนี่ยไม่เบานะจะบอกให้เมื่อเราต้องการความรู้วิชาแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับด้วยประการทั้งปวง ก็ขอจบตอนนี้ไว้ก่อนแล้วต่อใหม่ต่อไปก็มีการถามตอบกันต่อ <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณสุภาพรฉลาดการกิดกาบนารัตการผ้าจาค่ะสิตอยางจะถามว่าการที่เราใส่บาตรเสร็จแล้วขวดน้ำ ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเสร็จแล้วขอแม่พระธรณีช่วยดลจิตจงใจให้ในายกรหรนนี่ขอซึ่งเป็นลูกหนี้ของเรา <c oughs> ให้ติดต่อกับมหาเราไม่ไม่ทราบว่าจะมีผลอะไรหรือเปล่าคะเออลูกหนี้ด้วยนะค่ะ <c oughs> <c oughs> คงจะไม่มีผลเนะพราะว่าแต่ก่อนเราเคยเป็นนีเขาไว้เขาก็เลยมาทวงคืนแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราแผ่ส่วนกุศลแล้วการแผ่ส่วนกุศลนั้นก็มีผลเพราะว่าการแผ่ส่วนกุศลคือการแสดงถึงเมตตาจิต ถ้าไม่มีเมตตาจิตก็แผ่ส่วนกุศลไม่ได้เมื่อแผ่ส่วนกุศลแสดงถึงเมตตาจิตเมตตาจิตนี้ก็จะส่งผลไปยังอนะบุคคลที่เราต้องการที่จะให้บังเกิดผลสมความต้องการเนี่ยคือการแผ่ส่วนกุศลเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เกิดสมความประสงค์เนีย พูดง่ายๆคือเราไม่อาฆาตพยาบาทแต่เราแผ่ส่วนกุศลให้ก็เท่านั้นแหละอันนี้คงตอบได้เท่านี้นนะขอขอบคุณค่ะ <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณสุมนทาสัมพินพง์กราบนมาสการพระคุณเจ้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงค่ะ อยากจะเรียนถามข้อข้องใจที่มันมันติดอยู่ในใจมาหลายปีนะคะหลวงพอ่อแต่ไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะตอบหรือเปล่านะคะคือว่าได้รับฟังมาจากท่านสุมเมธตันติเวชกุลราชเลขาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะว่ามีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่ดอยแม่ปังก็ได้นั่งสนทนากับหลวงปู่แหวน ขณนะนที่นั่งสนทนาหลวงปู่แหวนก็ได้รินน้าชาซึ่งกาเล็กมากค่ะหลวงพ่อเมื่อเมื่อรินได้สองแก้วก็คงจะหมดนะคะก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ดื่มหมดแล้วก็หลวงปู่แหวนก็ดื่มหมดแล้วหลวงปู่แหวนก็รินน้าชานั้นอีกเป็นครั้งที่สองซึ่งกานั้นเล็กมากเมื่อรินครั้งแรกก็หมดแล้วนะคะ แล้วก็ลินเป็นครั้งที่สามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สงสัยก็เรียนถามหลวงปู่แหวนว่าน้ำนั้นมาจากไหนหลวงปู่แหวนก็บอกว่าอย่าถามอันนี้เป็นข้อข้องใจของสิทธ์เพราะงั้นสิทธิต้องการจะทราบจากหลวงพ่อซึ่งเป็นพระอาจารย์และเป็นพระอริยะสงฆ์เจ้าค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งข้อก็มดีด็อกดเตอร์อยากให้เอ่ยนามนะคะท่านนั่งสมาธิมาตั้งแต่แปดขวบจนเป็นด็อกเตอร์นะคะแล้วท่านก็เล่าว่าท่านสามารถถอนจิตคุยกับหลวงปู่แหวนได้เพราะงั้นวันนี้จิตคล้องใจมากจึงกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ <c oughs> ข้อที่หนึ่ง หลวงปู่แวนท่านก็ บ, บอกแล้วว่าไม่พูดหลางพ่อจะพูดก็คงจะขัดใจท่านเป็นแนท่ทีนี้ไม่ทราบว่าสิิส์เข้าใจเองว่าอันนี้มันอาจจะเป็นอภินิหารใช่ไหมคะหลวงพ่อคะออท่านไม่ให้พูด ก็หลวงพ่อคงไม่กล้า <c oughs> แล้วก็ต่อไปคือการถอดการถอดวิญญาณมาคุยกับหลวงปู่แหวนอันนี้ก็น่าจะเป็น <c oughs> การบังอาจมากเกินไปหรือเปล่าเพ <c oughs> ราะว่าหลวงปู่แหว น, นท่านก็ถือว่าท่านมีจิตใจที่สูงผู้ที่มีจิตใจท่านเดียวกันเนี้ย ถึงจะส่งจิตเข้าไปหากันมันก็คงจ ะ, ะถูกต้องแต่ผู้ที่มีจิตใจที่ต่ำกว่าส่งจิตใจไปคุยนี่ก็คงจะเพราะว่าเวลาที่คุยด้วยการพอด์หรือเขาเรียกว่าอาทิตย์สมันกายเนี่ยอาทิตย์สมันกายเขาก็มเีเขาเรียกว่าขั้นตอนของ ่ขั้นตอนของอาทิตย์สมานกายเนี่ยมันจะไปเที่ยวสเปะสปะอะไรนันนับ ก, ก็ไม่ได้เขาก็มีขอบเขตว่าพลังจิตเนี่ยมันจะมีพลังกันแค่ไหนจะสัมพันธ์กันได้แค่ไหนมันก็มีแต่ทีนี้ถ้าการที่ดอกเตอร์นั่นาไปสัมพันธ์กับหลวงปู่แหวนได้ดอกเตอร์ก็คงจะต้องอาจจะเป็นอริยบุคคลก็ได้ แต่ถ้าเป็นอริยบุคคลก็หลวงพ่อก็คงถือว่าถูกต้องแต่ทีนี้การที่จะถอดจิตออกไปคุยนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าคิดว่าจะทำได้แต่ต้องมีฐานะเ็าเรียวกว่าฐานะอยู่ในเวลาใกล้เคียงกันอย่างนี้เป็นต้น อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราในคณะนักศึกษาเนี่ยได้มาเรียนสมาธินี่เรียกว่าเราชั้นภาคที่หนึ่งเรียนภาคที่สองคือภาคที่กำลังจะเรียนอยู่เนี่ยอีกไม่ช้าคำตอบอันนี้จะเกิดขึ้นได้แต่ในวันนี้คงตอบไว้เพียงเท่านี้ กรบขอบพระคุณเจ้าค่ะมาถึงสุรพงศสุณถัชายาครับน้มาสการพระอาจารย์ครับสิทธิขอเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของอธิษมานกายนะครับขอเรียนถามว่าเราจะมีวิธีการใช้อธิษมานกายอย่างไรในชีวิตประจำวันและผู้ปฏิบัติสมาธิจะสังเกตตัวเองอย่างไรว่ามีพลังกิต เข้มแข็งเพียงพอที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากอาทิตสมานกายได้ครับอาทิตสมานกายเนี่ยจะ อ, อยู่ในตัวของเราเนี่ยแหละ <c oughs> เราจะสัมผัสอาทิตสมานกายได้ก็ต่อเมื่อเราได้เคลียคือทําร่างกายนี้ให้หมดความรู้สึกแล้วเราก็จะเข้าประโยชน์ในอาทิตสมานกายถ้ากายหยาบเนี่ยยังปกติอยู่ เราก็เข้าสัมผัสอาทิตย์สมานกายไม่ได้แต่การที่จะใช้อทิตย์สมานกายได้นั้นจิตจะต้องถึงจุดพลังอํานาจแล้วขอบพระคุณครับต่อไปก็เชิญคุณสุรพลเอื้องบุญสวรรัสดิ์กลับนวัตการพระอาจารย์ทพิครพนะครับคือกระผมอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธินะครับ ปัจจุบันนะฮะเวลาผมเริ่มต้นนั่งสมาธิก็จะเริ่มเอาจิตวางไว้ที่หน้าผากนะฮะตามที่อาจารย์แนะนําไว้พอหลังจากทีเราวางไว้ที่หน้าผากแล้วเราเริ่มเพ่งเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าบริเวณหน้าผากนะฮะอาจารย์จะมีความร้อนมากนะฮะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับเป็นพลังงานอะไรบางอย่างแต่พอผมหลังจากบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ใส่ใจบริเวณจิตเท่าไหร่นักนะฮะแล้วก็บริกรรมไปเรื่อยๆนะฮะ ก็จะเหมือนกับว่ามีพลังเนี่ยวิ่งอยู่ภายในร่างกายนะครับมีวันนึงนั่งแล้วเนี่ยเหมือนกัมีพลังเนี่ยเหมือนเป็นกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านในร่างกายแล้วก็มือจะเริ่มตันนิดนิ ด, นดพอหลังจากนั้นทุกมีหยุดจุดหนึ่งเหมือนกับเครื่องมันหยุดนิ่งไปเลยฮะอาจารย์นิ่งแบบจมลงไปนิ่งเงียบไปเลยแล้วเราก็อยู่ในภาวะนั้นนานพอสมควรนะฮะแล้วก็หลังจาก วันนั้นเป็นต้นมาเวลานั่งสมาธิก็จะเกิดความรู้สึกว่าน้ําตาจะไหลปริติมาบริเวณขอบตาก็เลยอยากจเรีย น, นถามอาจารย์ว่าปรากฏการที่เกิดขึ้นนั่นเกิดจากอะไรแล้วเราควรจะดําเนินการไงต่อไปครับอ่การดําเนินการนั้นได้ดาเนินการไปโดยการถูกต้องแล้วแล้วจิตที่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งเข้าถึงที่สงบนั้นก็หมายถึงว่าจิตได้เข้าไปสู่ฌาน คือหมายถึงสมาธิมันได้เกิดความพอเพียงขึ้นก็เข้าไปสุชาลและฌานนี้ก็จะต้องมีการหมดสภาพฌานไปเมื่อเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในฌานมันจะมีเวลาหมดสภาพพอหมดสภาพก็เขามันหยุดจิตปลกติเราก็ทำอย่างนั้นอีกถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ มันก็จะเข้าไปสู่จุดเขาเรียกว่าจุดสงบสุดยอดนั้นอีกก็เรียกว่าฌานแต่ว่าไปอยู่ช่วระยะหนึ่งจิตนั่นจะถอนกลับคืนมาคือมันหมดสภาพของฌานแล้วเออกลับถอนกลับคืนมาเมื่อถอนกลับคืนมาก็จะต้องมาอยู่ที่สมาธิจิตจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ ต, ตลอดแต่ว่าในระยะที่เป็นนะ่ะคือการสะสมพลังจิต การสะสมพลังจิตได้สะสมพลังจิตไว้เ อ, อทุกขณะทุกขณะที่เป็นแต่อาการที่เป็นคือลักษณะของฐานกราบขอพระคุณครับ อ, อสุรวุฒิแย้มสีกราบนสุขการพระอาจารย์ครับเอผมอยากถามว่าพลังแห่งสมาธิพลังจิตและพลังแห่งสติแตกต่างกันอย่างไรครับ พลังสมาธิพลังจิตและพลังอะไรอีกพลังสติครับเขาสติพลังแห่งสติอ๋อพลังจิตพลังสมาธิพลังสติแต่ต่างกันยังไงพลังจิตเกิดขึ้นจากพลังสมาธิสมาธิมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นพลังจิตเพราะว่าเวลาที่ ทำสมาธิก็คือจิตนะ่ยเป็นผู้รมแต่ว่าจิตนั้นได้บริกรรมทำสมาธิก็กลายมาเป็นพลังจิตเมื่อพลังจิตมีแล้วมากขึ้นเพราะสมาธิก็กลายเป็นสติก็อยู่ในจิตอันเดียวนั้นถ้าเราจะแยกออกสติก็แปลว่าระลึกได้จิตก็แปลว่านื้คิด สมาธิก็คือความสงบอันนี้เราแปลไปได้แต่ว่าลักษณะแล้วเนี่ยมันก็จะไปรวมดังที่ได้อธิบายมานะขอบคุณครับต่อไปคุณส ร, รัญญาเกียรติกำพลกราบนมัสการอาจารย์หลวงพ่ออาจารย์คะ ลูกน้ำมศ ก, การขอโอกาสหลวงพ่อรายงานสภาวะจิตที่ปบัติอยู่ให้หลวงพ่อได้เมตตาให้คำาก่อนลูกมาปฏิบัติกับหลวงพ่อลูกนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันประมาณยี่สิบถึงสี่สิบห้านาทีเป็นเวลานานพอควรมีความสงบแล้วก็หลับได้ลึกไม่ค่อยมีนิมิตมารบกวนแล้วก็นั่งสมาธิในรถหลังจากถึงที่ทางานอีกประมาณห้านาทีเพื่อเคลียอารมณ์ก่อนจะเดินเข้าที่ทางาน แล้วก็โดยวิธีธรมก็จะกาหนดจิตไว้ที่บริเวณพงจมูกที่เป็นที่ตั้งของขาณภาปาาบริเวณที่ลมหายใจเข้าแล้วก็ออกกระทบพอดีแล้วก็ใช้เป็นจุดที่ตั้งของคำภาวนาสมาธิจิตในช่วงนั้นก็สงบทิ้งลมหายใจจิตตั้งอยู่เป็นหนึ่งแล้วก็มีสติอยู่บางวันก็มีความคิดวิตกวิจาร์มากบางวันก็น้อยตามสภาพของจิตที่รับอารมณ์มาก่อนนั่งสมาธิ บางวันก็มีความคิดรบกวนบางวันก็ไม่มีเลยจิตรวมสงบนิ่งอยู่แต่ก็ไม่ตกผวังขาดสติแต่ก็ไม่ก้าวหน้าไม่ถอยหลังเป็นอยู่เช่นนี้มานานทั้งที่พยายามจะทิ้งจิตให้ดิ่งลงไปสู่จุดที่สว่างสวัยที่เคยได้ครั้งหนึ่งแต่ไปไม่ถึงจุดนั้นอีกจิตจะคลายออกจากสมาธิก่อนทุกทีตั้งแต่มาฝึกกับหลวงพ่อวันแรกนั่งสมาธิกับหลวงพ่อวันแรก ลูกก็พบว่าสมาธิจิตเปลี่ยนแปลงทันทีจิตรวมเร็วขึ้นเพียงภาวนาสามสี่ครั้งหรือแทบไม่ต้องภาวนาจิตก็รวมลงจิตตื่นรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในสมาธิได้นานขึ้นหลังจากได้เรียนเรื่องคําภาวนาหลวงพ่อลูกเห็นความสําคัญของการภาวนากลับมาตั้งใจภาวนาต่อไม่ปล่อยให้จิตดิ่งลงรวมอ่าทันทีก็รู้สึกได้ว่าสมาธิมีความตื่นรู้ตัวก้าวหน้าขึ้น จึงคิดว่าแต่ก่อนที่ทําสมาธิแล้วเข้าไปเงียบเฉยไม่ก้าวหน้าไม่ถอยหลังเพราะขี้เกียจภาวนาปล่อยจิตให้ดิ่งเข้าสมาธิเลยแล้วก็เพราะมีภารกิจอ่ากิจการงานมารบกวนมากขาดการระมัดระวังจิตแล้วก็ปฏิบัติไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีการวิเคราะห์จิตของตัวเองให้ถูกต้องขาดหลักการไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปลูกเพิ่งได้พิจารณาเห็นตามที่หลวงพ่อสอนว่าเมื่อจิตรวมลงแล้ว และทิ้งคำภ า, าวนาแล้วจิตจะอยู่ในอากาศธาตุและช่วงนี้ได้ถือโอกาสฝึกในสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้มีอยู่สามอย่างระหว่างนั่งสมาธิคือให้มีศรัทธาลูกก็พยายามตั้งใจทําจิตให้มั่นทําจิตให้มีเมตตาอย่างที่สองคือให้มีสติระลึกรู้อยู่บางครั้งก็จะคอยถามตัวเองว่าใครเป็นผู้รู้เพื่อไม่ให้สติหายอย่างที่สามที่หลวงพ่อสอนก็คือซึ่งลูกไม่ได้คํานึงถึงมาก่อนก็คือหลวงพ่อสอนให้มีสัมปชัญญะ รู้สึกตัวทั่วพร้อมคอยระแวดระวังจิตที่รวมเป็นหนึ่งอยู่ไม่ให้มีความคิดหรือนิมิตใดมาแทรกพยายามทำตามแล้วก็เมื่อเมื่อมีความคิดหรือนิมิตมารบ ก, กวนก็จ ะ, ะปล่อยทิ้งไปซึ่งบางครั้งก็แพ้บางครั้งก็ชนะแต่ก็พบว่าความการแพ้หรือการหายไปของความรู้สึกตัวนั้นสันลงจันลง ลูกมีคำถามที่จะให้หลวงพ่อเมตตาแนะนําสั่งสอนว่ามีสิ่งใดที่ลูกต้องแก้ไขในการฝึกในระหว่างนี้และต้องประคองจิตอยู่เช่นนี้ไปเรื่อยๆให้จิตพัฒนาไปเองหรือว่าต้องพยายามทําสิ่งใดเพิ่มเติมเช่นต้องพยายามปล่อยจิตให้ดิ่งลงไปเพื่อให้ ส, สมาธิก้าวหน้าขึ้นหรือประครองเช่นนี้ไปเรื่อยๆแล้วจิตจะพัฒนาตัวเองไปหรือไม่ถ้าประคองอยู่เช่นนี้เออ ออฟังเทศสลับอันที่จริงแล้วก็ถูกต้องที่ทําเนี่ยการที่ทําขึ้นมาอย่างนั้นถือว่าเป็นลักษณะของงานและผลงานที่อาญาย์อธิบายมาเนี่ยเขาเรียกว่าลักษณะสมาธิลักษณะสมาธิคืองานกับผลงานงานก็คือการที่ทําสมาธิมีสติ ผลก็คือความเกิดความสุขสบายเขาเรียกว่างานกับผลงานงานกระผลงานนี่มันจะเป็นเฉพาะเหมือนกันกันกบอาหารอาหารนี่จะเข้าไปบำรุงกินไปรับประทานไปอร่อยไปแต่ว่าอาหารเหล่านี้จะกลับกลายไปเป็นในวิตามินโปรตีนที่จะต้องถูกย่อยออกไปเป็นเลือดเป็นเนื้อเพราะฉะนั้น งานกับผลงานนี้ก็ต้องทำไปตามปกติอย่างที่เป็น